มีปัญหาหรือนักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเบลส์พาสเคลซึ่งมีชีวิตในระหว่างพุทธศักราช2166 ถึง 2,205 กล่าวไว้ว่าความยุ่งยากของมนุษย์เกิดจากการที่เขาไม่รู้จักว่าการนั่งนิ่งๆเป็นอย่างไรอาตมาอยากจะเติมว่าและไม่รู้จักว่าเมื่อใดควรจะนั่งนิ่งๆเมื่อพุทธศักราช 2,510 อิสราเอลกำลังทำสงครามกับอียิปซีเรียและจอแดนระหว่างช่วงเวลาที่เรียกกันภายหลังว่าสงครามหวันผู้สื่อข่าวคนหนึ่งได้สัมภาษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษฮาโรแมกมีแลนว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาในตะวันออกกลาง โดยไม่มีการรีรอท่านรัฐบุรุษอาวุโสตอบว่าไม่เห็นมีปัญหาอะไรในตะวันออกกลางเลยนิผู้สื่อข่าวคนนั้นถึงกับงงไปเลยผู้สื่อข่าวต้องการที่จะขอทราบความเห็นของท่านท่านหมายความว่าอย่างไรครับว่าไม่มีปัญหาในตะวันออกกลาง ท่านไม่ทราบหรือครับว่าขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้ลูกระเบิดกำลังร่วงจากท้องฟ้ารถถังกำลังยิงใส่กันอยู่ทหารกำลังถูกเจาะจนพรุนหลายคนกำลังจะตายหรือบาดเจ็บท่านหมายความว่าอย่างไรครับที่ว่าไม่มีปัญหาในตะวันออกกลางท่านรัฐบุรุษอาวุโสผู้มากด้วยประสบการณ์ ชี้แจงอย่างอดทนว่านี่คุณปัญหานะ่ะมันคืออะไรที่จะต้องมีทางแก้ก็เพราะมันไม่มีทางแก้ในเรื่องตะวันออกกลางมันก็เลยไม่ใช่ปัญหาน่ะสิพวกเราเสียเวลาในชีวิตของเราไปสักเท่าไหร่กับการกังวลถึงสิ่งที่ในเวลานั้น ไม่ถือว่าเป็นปัญหาเพราะมันไม่มีทางแก้ใช่หรือไม่